ว่าข้อที่สองวิธีแก้ไขความผิดพลาดในยุคชุนชิวก่อนคริสต์ ศ, ศักราช770ถึง476หรือก่อนพุทธ ศ, ศักราช227ถึง267 เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชวงศ์โจหรือจิว๋วก่อนคริสต์ ศ, ศักราชพ1นหรหรือ771หรือก่อนพุทธ ศ, ศักราช5้าถึง228เสื่อมถอยหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างแข็งข้อตั้งตนเป็นใหญ่จิตใจคนจีนในยุคนี้เสื่อมทรามโอทีม่มาก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 มาเป็นหัวข้อในการสนทนาพราจึงอยากให้ลูกค้นหาส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้แม้จะเป็นของโ บ, บราณโบราณห่างจากยุคเราเกือบ3ามพันปีกาตามแต่ลูกก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือนี้อย่างเหลืออลน้นนอกจากเล่มนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มที่บันทึกประวัติศาสตร์ในระยะสามพันปีนี้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 บุคลิกลักษณะจึงเปรียบระดุดกระจกเงาฉายให้เห็นบุญวัสนาหรือเคราะห์กรรมที่บุคคลนั้นๆจะต้องได้รับในอนาคตปุถุชนมักมองไม่เห็นบุคลิกลักษณะอันหน้าศึกษานี้กลับเห็นว่าเป็นการคาดคะเนที่ไม่แน่นอนธรรมชาตินั้นมีความซื่อตรงยินนะ่งนักหากเราเอาอย่างธรรมชาติได้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 หรือว่าจุติจิตได้ปฏิสนธิในสุคติภพทันท่วงทีรอดจากการไปสู่ทุคติภพยังบุญวิตและเมื่อเขาได้ไปสู่สุคติภพเสียก่อนแล้วจิตที่รู้จักปิดชอบชั่วดีในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ยอมเป็นปัจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดี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 ฉะนั้นลูกจงจำไว้ความผิดที่ถูกกระทำไว้นานหรือเพิ่งกระทำขอให้รู้สํานึกและแก้ไขเสทันทีจึงจะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปสู่ทุ ก, กติภพที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแต่ลูกจะต้องจดจำให้ดีว่าแม้ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็อย่านอนใจที่จะทำผิดบ่อย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 ไม่สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องตกนรกหมกไหมทนทุกทรมานไปช่วกับช่วกันแม้พระพุทธองค์ก็ทรงโปรดไม่ได้พระผู้ใดทำกรรมไว้ผู้นั้นเองเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นลูกยังจะไม่กลัวได้นะข้อสามลูกจะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตนเอง มีกำลังที่จะแก้ไขอย่างจริงจังไม่ท้อถอยมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทําบ้างหยุดบ้างความผิดเล็กๆในน้อยนั้นเปรียบประดุดน้ําต่าอยู่ในเนื้อถ้าดีบ่น้ําออกเสียก็จะหายเจ็บทันทีหากเป็นความผิดใหญ่หลวงก็เปรียบประดุดถูกงูพิษที่ร้ายแรงครบกัดเอาที่หนิว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 ที่ว่าด้ยวยความแข็งแกร่งของฟ้าความอ่อนโยนของดินความมีพลังของไฟความเยือกเย็นของน้ำความกระ ก, ก้องของเสียงฟ้ารองความแรงกล้าของลมความมั่นคงของขุนเขาและความเป็นกระแสของสายฐานแล้วลูกจะเข้าใจถึงธรรมชาติแปประการนี้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 เมื่อลูกมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดและมีความกลอาหารเด็ดเดียวที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองแล้วใส่ความผิดนั้นก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุดเปรียบประดุดสายน้าที่รวมตัวกลายเป็นน้าแข็งในฤดูใบไม้ผลเมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ย่อมละลายกลายเป็นน้ำดังเดิม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 คือต้องรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เื่อก่อนเช่นการฆ่าสัตว์จะเราเข้าใจเสีย ก, ก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักจะนหนจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวล่ะแต่มีใครทำกับเราบ้างอย่างนี้ลูกจะยอมอนะหนึ่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัส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 คนนั้นแตกต่างกันทั้งนิสัยและสติปัญญาภูมิน้าภูมิหลังของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางอย่างเขาสู้เราไม่ได้บางอย่างเราสู้เขาไม่ได้เมื่อก็พลาดพลั้งไปก็ด้วความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นความโง่เขล า, าบบาปัญญาหน่าสงสารมากกว่าหน้าให้อภัยมากกว่าถึงแม้เขาจะให้รายเรา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 โกรธเคืองผู้อื่นไม่จับผิดผู้อื่นคอยชั่มโรธตนเองว่าได้ร่วงเกินใครอย่างไรบ้างหรือเปล่ายามที่มีคนร่วงเกินตนก็จะถามตนเองซึงก่อนว่าได้เคยร่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตนก็จะถามตนเองซึงก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่เรามืาคิดิชนนี้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 หลงกินใบหม่อนไปดิ้นไปยิ่งกระดุกกระเดกมากเท่าไรใหญ่ยยไหมก็ยิ่งปลูกมัดตัวเองมากเท่านั้นความโกรธก็เช่นกันมีแต่โทษหามีคุณไม่ถ้าลูกสามารถใช้เหตุผลไคร้ครวนดูแล้วทุกสิ่งก็จะไม่น่าโกรธความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นกับลูกอีกเลยวิธีแก้ไขความผิดพลาดที่พูดไปแล้ว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 ดุดดังดวงตะวันสาดแสงส่องมาคราใดความมืดก็หมดไปปิศาจก็ยังต้องหลบหลบซ่อนซไม่กล้าออกมาเป็นพานเปรียบได้กับการโค่นล้มต้นไม้ที่มีพิษโลกจะต้องขุดรากถอนโคนให้หมดสิ้นไม่ใช่ค่อยๆลิดกิ่งปลิดใบซึ่งไม่ทนการสรุปแล้วการแก้ที่ใจ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 ก็จงรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนอย่าได้รั้งรออยู่เลย